เพราะฉะนั้นโลกนี้ถ้าไม่มีอัาธาณว์จะไม่คล้องแต่ถ้าไม่มีอาทีนว่าอยู่ในสิ่งนั้นบัณฑิตจะไม่ออกเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่ามีอัศาธาพานทั้งหลายจึงติดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอัศาธาก็คือสกสาระทั้งหลายน่ะคนพานละยากเนี่ยนะเขาบอกว่าพวกอัศาธาก็คือพวกสการะพวกความมั่งมีเป็นต้นเนี่ยนะนการมีสิ่งใดเนี่ยคนพานทั้งหลา ย, ย, ยละยาก แต่ว่าเนื่องจากมีโทษอยู่ในทุกๆสิ่งบัณฑิตเขาจึงต้องการออกเนี่ยนะนะตัวผลผลของคำสอนก็คือได้รับประโยชน์ทั้งปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ยนะนะส่วนอุบายนะอุบายอันนี้หมายถึงว่าเมื่อฟังจบจะต้องมีอุบายในการปฏิบัติเนี่ยนะนะอุบายในที่นี้ก็คืออุบายในการปฏิบัตินั่นเองผลของการฟังธทมจะต้องได้รับอุบาย ก็คือเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งอริยมรรคชื่อว่าอุบายเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงนะน่ะคนฟังรู้อุบายเลยโอ้ทุกนี้ต้องทําไงพอฟังทำจบนะน่ะต้องทุกข์ตงปริญญาสมุทัยต้องละนิโรธต้องทําให้แจ้งมรรคต้องเจริญเข้าจใจอุบายเลยว่าจะต้องปฏิบัติตามนี้ตามนี้อันนี้แหละเป็นอุบายที่เป็นผลของคําสอนอนั่นอันนี้อุบายที่เกิดจากคําสอนนั่นเองอุบายจากเทสนานะ แล้วก็สุดท้ายอานัดอนัตเนี่ยนะก็ในฐานะผู้ใหญ่นะก็ต้องมีอานัดกันบ้างเหมนนนะอนัตทั่วทไปแปล ว, ว่าคําสั่งหรือคําตักเตือนหรือคําแนะนำนะเรียกว่าอานัตการแนะนําหรือการตักเตือนของพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมโดยมุ่งหวังให้เราเวนยัยสัตว์บรรลุ ป, ประโยชน์สูงสุดนี่ชื่อว่าอานัตเพราะในคำสอนเนี่ยนะในคําสอนเนี่ยจะมีคําสั่งอยู่ด้วยในตัวมีทั้งการชี้คุณชี้โทษ อาชี h คุณก็คือชี้อสารธาให้เห็นว่าสิ่งนี้มีอสารธาอย่างนี้นะสิ่งนี้มีโทษอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าออกต้องออกอย่างนี้เธอควรออกนะ <S <S อะไรนะก็จะบอกมานนะเช่นเราเคยได้ยินบ่อยนะก็บอกว่าเพียงพอแล้วพิกูธทั้งหลายที่จะเบือหนายในวัฏะนะเคได้ยินพญยายะนะเหล่านี้นะเพียงพอแล้วอันนี้ก็เท่ากับเหมือนกับว่าคำว่าอนัตเนี่ยบางทีเนี่ยจะออกมาในรูปแบบเหมือนอ้อนวอนก็มีเหมือนกับพ่อแม่นะบางคนบักกลูกบางคนนี่เหมือนกับใช้คำสั่งไงไหม แต่ลูกบางคนนี่เหมือนกับสำนวนนี่ขอร้องมากกว่าไหมฉันนายก็ดีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายน้ําตาของเธอที่เสียใจร้องให้เพราะพ่อตายแม่ตายเนี่ยนะมากกว่าน้ำทะเลมาหาสมุทรอันะเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะเบื่อนายอย่างนั้นเถอะนะก็ก็คือบอกว่าเธอนะ่ยอาจจะพอแล้วนะแต่ก็บอกว่าไอ้คำว่าคําสั่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมต้องดูก่อนมัขฆ่าบรุษต์เลใช่อย่างนั้นนะแต่จะหมายถึงว่า เือชี้นำนะว่าออควรทำอย่างนี้นะนั่นก็เป็นคำแนะนำเป็นคำตักเตือนของพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ย น, นะก็ในในพระไตรปิฎกนี่มีอยู่โดยมา ก, ก น, นะหรือเช่นคำคาแนะนำที่บอกว่าก็บอกว่าคล้ายๆกับคาสั่งเลยนะบอกว่าเธอจงตัดความเยื่อใยในตนสเสถกดู น, นนะก็บอกเลยนะแบบชั้นสูงเลยนะหรือแบบอนัตอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสีย คือมันเป็นประโยชน์ที่บอกว่าสั่งให้ทําแบบนี้เนี่ยนะจะไม่ใช่แบบแค่ชี้โทษชี้คุณเฉยๆเนี่ยนะจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเรียกว่าเออควรทําอย่างนี้นะก็เข้าไปบอกเลยโซ ว, ว่าเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงเลยนะมีอยู่หประการด้วยกันคือหนึาา่งอาศะทสองอาทีนวะสามนิสรณนะอันนี้เป็นการแสดงของพระพุทธเจ้าจะประกาศสามอย่างนี้อาสาธะอาทีนวะนิสรณนะเสร็จแล้วผู้ที่ฟังแล้วไปปฏิบัติตามจะได้รับผล ผลอันนี้นะหรือพระพุทธเจ้าแสดงอาศาท่าทีนาะเพื่อต้องการให้มีผลแต่ผลอันนั้นเกิดจากอุบายเลยนะทีนี้อุบายเนี่ยบางคนเนี่ยพูดอุบายให้ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจเอจะให้ทํำยังไงกันแน่ก็เลยบอกเอาไปทำอย่างนี้ก็แล้วกันนะนะจานวนว่าเออเนี่ยอริยาศาสตร์นะทุกควรทําปริญยาสมุทยัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมรคควรเจริญพอฟังเทศจบนะเออแล้วก็มาถามว่าจะปฏิบัติยังไงมันนั่นนะ เก็ต้องแนะนำพิเศษอีกเอานี่นะมาคิดอย่างนี้นะนี่ก็ว่าไปนั่นก็เป็นอนุพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะสำหรับเป็นบางคนนะ่นะไม่ใช่ว่าทั้งหมดอะไรอันนี้คือคือเนื้อหาโดยย่อของอเทศนาหาระตามอัตกถาทีนี้พระวิสุทธาจารเถระเนี่ยนะท่านก็ยกมงคลสูตรมาซึ่งเป็นสูตรที่เราคุ้นเคยนะลองเอาเทศน า, าระมาจับดูสิ เวลาอ่านมงคละสูตรบอกว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยนะลองมาเอาเทศนาหาระมองดูซิมองออกไหมเนีย่ยนะว่ามองให้เป็นอัาธาอาทีนวานิสระณะอุปายะหรือผลเนะนี่ยนะอานัตเนี่ยมันเป็นยังไงในคำนี้แบบนั้นเถอะลองลองมาลองมาหัดคิดดูนะเอาบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเนี่ยนะเอาเนี่ยนะปูชาจะปูชนียานัง อันนี้ยกมาเป็นอุทาหรณ์จริงๆแล้วพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะทุกบทเนี่ยนะเอามาจับลงนะมองโดยอัศธาอาทีนวะนิสรณะผลอนัตเนี่ยได้หมดเลยแต่ว่าจะได้บางอย่างได้โดยตรงบางอย่างได้โดยอ้อมบางอย่างได้โดยมองอีกมุมหนึ่งเห็นไหมก็เวลามองอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มองแง่เดียวใช่ไหมมองข้างหน้ามองข้างหลังมองข้างซ้ายมองข้างขวามองข้างบนมองข้างล่างมองรอบมองพา ใครเคยเรียนสรีระวิทยานะอาพยาบาลมาหลายคนเพราะฉะนั้นก็เรียนสรีระมานะก็มีผ่าแบบผ่าตรงผ่าซีกผ่าเฉียงผ่าขว้างผ่าโอ้ไม่รู้กี่ผ่านะน่าจะเบื่อนายได้แล้วทีนี้พูดถึงยกตัวอย่างในมงคลสูตรเนี่ยนะ ว่าปูชาจะปูชนียานังอ่ะก็คือการประกาศอริยสัจอีกอยู่ดีสําหรับผู้ที่เรียนเนติปรกรณ์มาดีจะจะมองเห็นเป็นอริยสัจได้ในบทเดียวเนี่ยคือคําพูดในคําสอนเนี่ยนะคำพูดใ น, น, น, นะดในาศาสนามีอยู่สองอย่างด้วยกันเรียกว่าคําพูดแบบมุขยะพูดตรงตรงเลยนะมุขยะเนี่ยเหมือนกับบอกนั่นประตูอันนี้ตรงๆเลยนะส่วนส่วน อ, อ, อุปจาระเนี่ยคำพูดแบบอ้อมเขาจะมีพูดแบบตรงกับพูดแบบอ้อม เขาบอกว่าไล่ออกจากบ้านบอกนั่นประตูอันนี้ไล่ตรงตรงเลยใช่ไหม <S <S <S <S แต่ถ้าไล่แบบป้อ้อมก็บอกแหมอยากจะอยู่เงียบเงียบอันนี้ก็เท่ากับไล่กับพี่นะก็พูดตรงกับพูดอ้อมผู้ที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆทําไมไม่พูดตรงๆเลยนะแต่ถ้าคนชั้นสูงแล้วก็โดยมากเขาไม่ค่อยพูดตรงใช่ไหมนี่นะอย่างสมมุติถนะ้าเขาบอกว่าเขาโกรธมากเลยนะเขาไม่ใช้คําว่าโกรธนะเขาบอกเขาเสียใจมากจริงก็เนื้อหาเหมือนกันใช่ไหมภาษาการทูตเขาบอกว่าสมมติา โทษประเทศนี้โกรธประเทศนั้นเขาบอกเขาเสียใจมากกับเรื่องนั้นแปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าเขาโกรธมากในเรื่องนี้นะก็เขาบอกว่าถ้าเป็นศัพท์ชั้นสูงเล่นลิ้นเล่นลิ้นมากสัมนวนสูงมากอย่างสมมติว่าคนเรียนอภิธรรมไปเยอะๆนะเขาจะไม่บอกว่าเวันนี้ใจเขาไม่ดีใจเขาเป็นอกุศลเขาจะไม่พูดอย่างนี้แต่เขาจะบอกว่าอารมณ์เขาไม่ดีอ่านะอันนี้ก็พูดอ้อมนะถ้าบอกว่าวันนี้ใจไม่ดีใจเป็นอกุศลอันนี้เขาเรียกพูดแบบตรงตรง แต่ถ้าบอกวันนี้อารมณ์ไม่ดีพูดโดยอ้อมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าก็ถูกทั้งคู่แต่พูดโดยตรงกับพูดโดยอ้อมวันนี้อารมณ์ไม่ดีแสดงว่าเขาได้รับปฏิฆะนิมิตมาสภาพจิตเขาไม่ดีเนี่ยนะตอนตอนหลังอะใช้ศัพท์แบบนี้คนโบราณเขาพูดแบบอ้อมซึ่งเขารู้การไอคนรุ่นหลังมาอารมณ์ไม่ดีก็แปลว่าใจไม่ดีซึ่งมาแปลอารมณ์ว่าใจไปเนี่ยนะก็คือเข้าใจผิดไปเนี่ยนะก็จริงอะคำบางอย่างเป็นคําอ้อมคําบางอย่างเป็นคําตรงอย่างในคําสอนก็เหมือนกัน การเรียนคำสอนเนี่ยบางอย่างเป็นคำตรงๆบางอย่างเป็นคำอ้อมๆสาหรับบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยพูดโดยอ้อมเขาก็รู้แล้วเนี่ยนะเขาบอกวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเขารู้อยู่แล้วว่าทุกต้องกันกรู้เนี่ยนะบางคนไม่ต้องโอ้โหแจกหมดอนะนะนี่ก็มาดูว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยสําหรับผู้ที่เรียนหาระมาหรือมองพยัญชนะเนี่ยเขาจะมองเป็นเทศนาหาระได้ยังไง นะเหมาะเรียกว่าเอาหกคามาจับไนดะ้ยังไงว่าโดยอัาธาอาทีนวานิสรณะอุพละอุปายะอานัตเมียนะการบูชามีสองอย่างคืออมิตสบูชากับธรรมะบูชาธรรมะบูชาก็คือปฏิบัติบูชานั่นแหละนะการบูชานะเมื่อเช้าก็พูดไปคร่าวๆแล้วเมื่อเช้าครั้งหนึ่งว่าการบูชามีสองอย่างคืออมิตรอมิตรโดยศัพท์แปลว่าอะไรรู้ไหม ถ้าเบ็ดนะเขาใส่เบ็ดนี่เขาใส่อะไรเขาใส่อมิสนะอมิตรสินจานะ้างอ่ะนะนะเท่ากับแปล ว, ว่าเหยื่อเนี่ยนะเขาก็าใช้เหยื่อบูชาด้วยเหยื่อนะฮะแปลเป็นไทยๆเรานะแต่เขาเลยไม่ค่อยนิยมแปลก็รักษาศัพท์เอาไว้ว่าอมิสบูชานะคือวัตถุทั้งหลายของในโลกนี้นะที่เป็นวัตถุทั้งหลายเนี่ยจริงๆคือเหยื่อนะนะศัพท์ที่ไม่ติดหายากมากเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเบ็ดอีกเหมือนกันเนี่ยนะ เป็นคิดว่ามันมีมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ในนั้นหมดอ่ะเพราะฉะนั้นวัตถุในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ย น, นะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภอข้าวของเครื่องใช้วัตถุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดคือเหยื่อถามว่าถ้าปลาติดเบ็ดเนี่ยนะถูกอะไรถูกต้มใช่ไหมถูกต้มยำอ่ถ้ามนุษย์ทั้งหลายทั่วๆไปติดในกามถูกต้มในกระทะนนนั่นนอ่ ะ, ะพบหน้านะ เพราะพูดถึงอามิสบูชาเนี่ยท่านก็มาแบ่งอีกว่าการบูชาด้วยวัตถุข้าของทั่วๆไปแบ่งออกเป็นสามอย่างนะแบ่งตามพระไตรปิฎกนะถ้าในพระสูตรวัตถุทานมีอยู่สิบอย่างคือข้าวน้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มดอกไม้ยานพาหนะ้เครื่องรูปไล้ของหอมที่นอนเครื่องให้แสงสว่าง น, นั่นนะเจนอันนี้เรียกว่าให้ทําบุญแบบพระสูตรนะ ให้ข้าวให้น้ำที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็คือที่พักเป็นต้นนะนะเครื่องนุ่งหม่มดอกไม้ก็เหมือนเมื่อเช้าอ่ะนะยานพาหนะก็จัดพวกโดยที่สุดรองเท้าเนี่ยนะบอกยานพาหนะแบบธรรมดาเลยก็คือรองเท้าเรียกว่ายานพาหนะส่วนเครื่องรูปลายก็เป็นพวกเช่นสมัยก่อนเขาใช้จุนกันเนี่ยนะสมัยนี้พวกสบู่เป็นต้นนั่นเอง ส่วนของหอมของหอมเนี่ไปอินเดียก็จะมีสเปรย์คุรันคุรันนะไปพ่นแถวต้นพระศรีหมหาโนะพธิ์นะพ่นเป็ดเป็ดเปนั่นแหละก็เรียกว่าให้ของหอมเป็นแต่ว่าทุกวันยังอนุรักษ์ไว้ตามเดิมหมดก็คือทูบนี่แหละทูบเนี่ยประจุดประสงค์คือของหอมเนี่ยนะเราะจุดให้มีกลิ่นหอมเระจุดเอาควันแนละ้วใครจะไปจุดทําอะไรเนี่ยนะแต่ว่าจุดเพื่อให้เกิดของหอมนั่นเองส่วนเครื่องนอนก็คือพวกที่นอนทั้งหลายแหล่ แล้วก็เครื่องให้แสงสว่างคือปฏีพไทยก็อนุรักษ์ไว้คือเทียนอย่างเดียวเนี่ยแต่จริงก็คําว่าปฏีพก็คือตัวแสงสว่างะนะให้แสงสว่างเป็นทานก็อันนี้เป็นวัตถุทานแบบพระสูตรถ้าวัตถุทานแบบพระพิธรรมก็มองแบบเนี่ยคือรูปเสียงเปลี่นรสโภตาภาและธรรมรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคิดคนแบบเรียนอภิธรรมมาเยอะนะมันคิดได้กว้างบางทีนะให้ข้าวอ่ะเพราะปลารบวสี สีของข้าวเนี่ยสวยเลยให้ทาบางคนให้ข้าวบางอย่างนะเพราะปารบความกรอบมีไหมถ้าทางเหนือถ้าข้าวแตนข้าวแตนตางก็ว่าผ้าอะไรข้าเลยข้าวตังเป็นต้นเนี่ยนะข้าวแตนก็คือไอข้าวข้าวเหนียวอะ่ะที่ไปชุบอะไรแล้วก็ไปทอดอะ่ะแล้วก็เวลาเคี้ยวก็จะกรอบอะนะหรือไม่ก็ให้เสียงเป็นทางก็ปรบเช่น ผลไม้อะไรที่มันกรอบๆนะนั่นน่ะเรียกว่าตารบเสียงบางคนเนี่ยให้ข้าวบางทีตารบกลิ่นเช่นข้าวหอมมะลินะเช่นอย่างเงี้ยนะหรือบางคนเนี่ยตารบรถเนี่ยนะว่าเออรถดีอ่ะเนี่ยนะบางคนตรารบผัทพะเพ่อะนุ่มเนี่ยนะหรือบางคนเนี่ยหมอมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากตารบโอชาวิตามินแร่ธาตุอย่างเดียวนะพวกนี้เรียกตารบธรรมรมเพราะฉะนั้นแล้วแต่ตารบนะในวัตถุเดียวกันเนี่ย บางคนปลารบสีบางคนปลาลบกลิ่นบางคนปลารบรสบางคนปลารบโพธภานะอาหารบนโต๊เนี่ยที่ทําบุญกันเนี่ยสังเกตดูแล้วปลารบไม่ค่อยเหมือนกันทีนี้มีโยมคนหนึ่งก็บอกพอเอาน้ามะพร้าวมาถวายก็บอกเขาปลารบกลิ่นนะเขจึงมาทําบุญนะแสดงว่าเรียนปรมาภิษมาเยอะที่ผลไม้บางอย่างปั๊บเขาบอกปลารบกรอบนะปลาลบเสียงนะเพราะผลไม้บางอย่างถ้าเคี้ยวไม่ไม่ดังกรอบเลยไม่เอาอีกนะ เนนะฝรั่งสุกไม่เอาใช่ไหบางแห่งรถโดยสาระก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฝรั่งอันนะแต่แบบนุ่มๆเนี่ยนะเคียวแล้วก็ไม่กรอกอะไรเลยนะก็ไม่มีฟันก็เคี้ยวได้ก็ไม่ค่อยชอบอนะถ้ามองในแง่พระวินัยก็คือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็ประกอบไปด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเนี่ยนะนะอันนี้ก็ปารูแบบ พระวินัยพระพระวินัยถือโดยปัจใจสี่เป็นหลักนะแต่จริงๆอ่ะสิ่งเนี้จะมองไปแบบพระสูตรก็ได้วิเคราะห์แบบอภิธรรมก็ได้จริงๆก็คือสิ่งเดียวกันแล้วแต่จะมองเห น, นะแล้วแต่จะมองก็พื้นฐานชอบพระสูตรมากก็คิดแบบพระสูตรใครชอบพระวินัยมากก็มองแบบพระวินยัยใครที่ศรัทธาอภิธรรมมากก็คิดแบบอภิธรรมแต่จริงๆอ่ะสิ่งเดียวกันเหอนะอันนี้ก็คือแบ่งนะ อันนี้คืออมิสบูชาไงอมิสบูชาถือว่าบูชาด้วยเหยื่อว่างั้นเถอะพนัผู้ที่บูชาด้วยวัตถุเหล่านี้โดยมากก็ต้องการเหยื่ออันใหม่นะพราพอบูชาด้วยวัตถุ ก, ก็ต้องการวัตถุคืนใช่ไหมเนี่ยนะเพราะปกติแต่ว่าก็มีคนที่บูชาด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วปรารถนาความพ้นทุกข์ก็มีเห็นไหมนะขอเช่นก็สมัยก่อนเขาทาใส่บาทใช่ไหมก็ใส่บาทแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้ารู้ทำใดขอให้ข้าพเจ้ารู้ธรรมนั้นด้วย สมัยก่อนก็ตั้งอย่างนั้นดีสมัยนี้ตั้งใหมน่นะอย่าไปตั้งนั้นตั้งว่าพระพุทธเจ้ารู้ทำใดขอข้าพเจ้าจงรู้ธรร ม, มะนั้นด้วยถ้าไปรู้แบบพระคุณเจ้าก็ไม่แน่นะมันก็เอาเอาตั้งแบบใหม่นะตั้งแบบพระพุทธเจ้าบรรลุทำใดก็ให้ข้าพเจ้าบรรลุธรมขอขอ ร, ธรมะนั้นด้วยนะคืออันนั้นแหละเขาเรียกว่าปรารถนาแบบวิวัตตะนั่นแหละแต่ถ้าไปแต่ถ้าสมัยนี้เราไปตั้งแบบมั่วก็แย่เหมือนกันพระคุณเจ้ารู้ บางอย่างนี่ก็ไม่ต้องไปรู้ตามหรอกทีนี้ส่วนธรรมบูชานะธรรมบูชาก็คือการปฏิบัติบูชาหมายถึงการรักษาศีลเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าใช่ไมอันนีบูชารักษาศีลศีลก็แบ่งเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือจตุปาริสุทิศศีลเนี่ยนะบวชเพื่อเป็นพุทธบูชาอย่างเงี้ยนะหรือการเจริญภาวนาอันมีปุปภาคปฏิปทาเป็นเบื้องต้น จริงๆแล้วไอ้คำว่าภาวนาอันมีปุพพาคเป็นเบื้องต้นคือศีลเป็นต้นนั่นเองถือว่าศีลนี่เป็นเบื้องต้นแห่งภาวนานีในปฏิสัมพิธามารักวิเวกกะทะกล่าวว่าการงานที่ที่บุคคลจะต้องใช้กําลังทําอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกเนี่ยนะต้องยืนอยู่บนแผ่นดินใช่ไหมจึงทําการงานได้ฉันใดผู้ที่จะอบรมอริยมรรคอันประกอบไปได้วยองค์แปก็ตั้งอยู่บนศีลฉันนั้น หรือว่าต้นไม้ใบหญ้าพีชคามและภูชคามทั้งหลายเนี่ยเวลาเจริญงอกงามก็เจริญงอกงามบนแผ่นดินเนี่ยนะแล้วก็เจริญงอกงามฉันใดผู้ที่จะอบรมมารยมักมีองค์แปดก็ตั้งอยู่ในศีลฉันนั้นแล้วก็ในสังยุตตานิายมหาวารวักเนี่ยมีเยอะมากเนยนะเป็นสังยุตสังยุตเลยนะที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องศีลไม่ต่ํากว่าสามสิบสูตรเพรานศีลเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะก็มีอยู่บางสูตรเนี่ย พิสุมาถามพระพุทธเจ้าถึงข้อปฏิบัติปองก็บอกว่าในเบื้องแรกนะเธอทําศีลให้บริสุทธิ์กับทําทิฏฐิให้ตรงคือกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิก่อนนะเมื่อเธอศีลบริสุทธิ์มีสัมมาทิฏฐิที่ตรงอย่างนี้แล้วเจริญสติปัฏฐานสี่ประการกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นเวทนาเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างจิตกับธรรมะก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นนั่นแหะคื อ, อการเจริญแบบนั้นเรียก ว, ว่าเป็นการปฏิบัติบูชาเนี่ยนะก็บางคนเนี่ยไม่มีอะไรบูชาก็ปฏิบัติใช่ไหมถามว่ายกมือไหว้เนี่ยเป็นการปฏิบัติบูชาหรือไม่หรือเป็นอามิตรบูชายกมือไหว้เนี่ยนะก็นับในกลุ่มปฏิบัติ เพราะว่าการกราบการไหว้สงเคราะห์เป็นศีลกุศลเนี่ยนะการกราบะนะอภัยยนตไม่เนี่ยสงเคราะห์เป็นศีลกุศลเพราะไหว้พระขณะที่กราบไหว้เป็นศีลกุศลขณะที่สวดเปล่งวาจาด้วยความเข้าใจอันนั้นเป็นภาวนากุศลเงี้นะเพราะฉะนั้นบูชาเป็นธรรมบูชาทีนี้ก็เมื่อเราแยกได้สองประการแล้วว่า บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาการบูชาก็ต้องเอาวัตถุไปบูชาผู้ที่มีคุณธรรมที่คู่ควรกก่การบูชาทีนี้เราก็มาสงเคราะห์โดยอัตวาสุขโสมนัสอิทธารมอันเนื่องด้วยการบูชานั้นและตันหาที่ยินดีโลภิยะธรรมนั้นเป็นอาสาธะมาสมมตินะมีดอกไม้อันนี้มาบูชาพร ะ, อะดอกไม้อันนี้เวลาเห็นเนี่ย ก่อให้เกิดสุกสมมนัใช่ั้ยก่อให้เกิดสุขกายสุขใจก่อนดอกไม้สีสวยถือว่าเป็นอิทธารมถามว่าคนเมื่อเห็นของสวยแบบนี้โดยมากจิตแบบไหนโลภเกิดอันนั้นเป็นตันหาที่ไปยินดีแต่ทีนี้เนื่องจากจิตเดิมที่ตั้งไว้ไม่ได้เพื่อเสวยแต่ต้องการเพื่อทำบุญเนี่ยนะก็เลยน้อมไปเป็นบุญได้แต่ความที่ชอบใจในวัตถุที่น่าชอบใจอันนี้เป็นอัาทะ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 ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็จะเข้าไปเห็นว่าเออจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่ว่าถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะอันนั้นแหละเป็นอาทินวะของเขาส่วนถ้าจะละได้จะนิสรณะได้ทําไงก็มักเป็นเหตุที่ทําให้กําจัดฉันทราคะแต่มักจะ ก, กําจัดฉันทราคะได้ต่อเมื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าไม่ได้สุขที่เกิดในฌานในมรรคผลเป็นต้นนะที่จะไม่กลับมายินดีในสุขกับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ฐานะแต่ก็เวียนกลับมาอีกจนได้นั่นแหละเนี่ยนะเพราะถ้าไม่บรรลุมรรคกับนิพพานเนีย่ยนะอันมรรคนิพพานนี้จึงเป็นที่ถ่ายถอนแห่งชั้นทราคะในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดส่วนผลของการแสดงที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยมีผลยังไงเมื่อบุคคลไปบูชาตามพระพุทธเจ้าแนะนําก็คืออานิสงส์ผู้ที่บูชาบุคคลที่สมควรบูชาเช่นบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะหนึ่งตัวเองก็ไม่ติเตียนตัวเอง ใช่สองผู้อื่นพิจารณาดูแล้วก็ไม่ติเตียนก็เหมือนกับว่าผู้ที่มีพ่อมีแม่วันพ่อวันแม่เนี่ยนยะถือเครื่องบรรณาการเอาอะไรก็ได้สักอย่างไปให้พ่อแม่ที่เราคิดว่าเราพอใจแล้วให้พ่อให้แม่ถ้าเราทำอย่างนั้นสมมตินะในวันวันพ่อวันแม่เนี่ยนะตัวเองไม่ตำหนิตัวเองยเหมือนกับว่าได้ทำหน้าที่ของเราเองตำหนิตัวเองไม่ได้สอง ลูกคนอื่นๆเขาก็ตำหนิเราไม่ได้ว่าทำไมแกไม่เหลียวแลวพ่อแม่บ้างเลยอย่างนั้นเขาก็ตำหนิกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คืออา น, นิสงส์ที่แบบเห็นธรรมดาทั่วไปแล้วก็บูชาบุคคลที่ควรบูชานะเจตนาตามนั้นมีผลนําเกิดหนึ่งถ้ามีผลนําเกิดถ้าเกิดในสุขติเท่ากับว่าไม่ได้เกิดในทุกคตินี่นะแปลงก็อันนี้เป็นอา น, นิสงส์งนี่นะก็คือทําให้เกิดในสุขตินี่นะ เพราะนั้นการบูชาก็จะมีผลอย่างนี้ก็คือให้ผลที่เป็นว่าวิบากของการบูชาให้ผลยังไงเนี่ยนะถ้าคัมภีเปตแต่ว่าเออขออภัยคำพีวิมานวัตถุที่ที่เรียกว่าบูชาด้วยดอกไม้บูชาในพระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยนะมีอย่างกุลธิดาคนหนึ่งถือดอกบวบขมมาดอกเดียวเนะนี่ยนะเดินไปบูชาพระเจดียังไม่ทันเลยอ่ะไม่ทันถึงที่บูชาแล้วก็ตายซะก่อนเนี่ยนะก็ไปเกิดในวิมานสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นอ น, นิสงค์ของการบูชา น, นะ่ยนะ ทีนี้ถ้าเกิดคนสงสยัยเอ๊ะถ้าบูชาด้วยดอกไม้ดอกเดียวมันจะไปสุขคติหรือไปถ้าอย่าคิดถึงบาปแล้วกันนะแต่ ม, มื่อถ้าเราชาตินี้บุญก็ทํามาบุญก็ทําบาปก็ไม่น้อยเนี่ยนะแล้วเราจะไปสุขคติหรือทุกติก็บอกถ้าคุณคิดถึงแต่ทําบุญได้คุณไปสุขคติแต่ถ้าคิดไม่ได้ก็ก็สัพท์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของตน อ, อันนี้สงต้องการบูชาก็เห็นนะมีผล พระพุทธเจ้าเวลาพระองค์แสดงว่าการบูชามีผลผู้ไปบูชาตามที่พระองค์กล่าวก็จะมีผลเนี่ย น, นะส่วนต่อไปก็คือการบูชานี้เป็นเหตุแห่งการบรรลุผลอันนั้นถ้าถ้าเราฟังคําสอนว่ า, าการบูชามียนิสงส์ก็ไปบูชาตามที่พระองค์แสดงก็จะได้รับผลอย่างนั้นการแนะนําการตักเตือนให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาชื่อว่าอานักแต่นี้ท่านไม่ได้เตือนแบบตรงนะท่านเตือนแบบอ้อม คือไม่ได้บอกตรงๆว่าจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่ก็กล่าวว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลคือชื่นชมอนุโมทนากับการกระทําแบบนี้ก็เท่ากับตำหนิว่าถ้าไม่บูชาเป็นอัปมงคลถ้าบูชาเป็นมงคลการบูชานี่มีคุณมากเนี่ยนะก็เลยสงเคราะห์ว่าอาทีนวะกับผลเป็นทุกขสัจเนี่นะสมมติว่าการบูชาแล้วให้ผลเกิดในสุขติน แต่ในสุคตินี่ได้อะไรก็ได้เป็นมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยว่าเป็นมนุษย์ดีไหมถ้าเทียบกับอบายอ่ะไม่ดีถ้า แ, แ, แต่นี้เขาไม่ได้ถามในแง่นี้หรอกแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะสโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตไหมไม่พ้นเนี่ยคือทุกขสัพเนี่ยนะเนี่ยคือความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้พูดถึงกรว่ทุกขสัพเนี่ยในแง่ของผู้มีปัญญาเข้าไปเห็นนะว่าบางคนอยู่กับทุกขสัพแต่ไม่ได้นึกว่าเป็นทุกข์อะไรเลยนะ ทีนี้ต่อไปว่าอาสาท่าเนี่ยนะวัตถุตามทั้งหลายมีวัตถุไหนบ้างที่ศัตว์ไม่ยินดีมีไหมในโลกไนงะที่คนรังเกียจชิงชังเนี่ยนะไม่มีหรอกแม้แต่ถังขยะก็ยังมีศัตว์ที่เข้าไปยินดีแต่ไม่ใช่หมายถึงมนุษย์อ่ะนะก็หมายถึงว่าในสิ่งเดียวกันอีกคนไม่ยินดีอีกคนก็ยินดีจนได้ฝนตกนะอีกเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยฝนตกเหมือนกันอีกคนหนึ่งโกรธม่อีกคนหนึ่งยิ้มแย้เลยนะเออดีฝนตกทัตีก็ดีเหมือนกันเหมือนกันนะ บางคนเนี่ยนะแดดออกเปรี้ยงๆเก ล, ลียดมากร้อนมากคนนี้เออซักผ้าดีเหมือนกันแห้งเร็วๆหน่อยนะก็ชอบแบบนั้นอีกนะมันก็มีในสิ่งเดียวกันจะเหตุการณ์อะไรเกิดก็ต้องมีคนชอบจนไดนะ้เพราะฉะนั้นในทุกสิ่งจะต้องมีอัสาธะคือผู้ที่เข้าไปยินดีแต่ถ้าสิ่งนั้นโดยปกติไม่คู่ควรกับการยินดีอันนี้เรียกว่าวิปลาสหรือปริกรปะอิถารมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้พวกปริกรปะอิถารมเนี่ยจึงไม่ใช่การมาราคาหนุสัย แต่เป็นราคาธรรมดาธรรมดานี่นะเพราะว่าทั่วๆไปเขาไม่มีใครไปวิปริตไปชอบอะไรที่มันไม่น่าชอบแบบนั้นหรอกแต่ก็มีผู้ที่ชอบจนได้อย่างไงเนะี่อย่างสมมติอ่ะทานอาหารแล้วพริกเผ็ดมากอ่ะนะทานไปด้วยน้ําตาไหลไปด้วยนะคนทั่วๆไปเขาไม่เคยชอบขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็มีคนชอบแบบนั้นอีกจนได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าไอ้เผ็ดขนาดนั้นน้ําตาไหลก็ยังมีคนชอบอันนี้เขาเรียกว่าอิทธปริกระปะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในในไอ้สิ่งที่ไม่น่าชอบแบบนั้นอ่ะไม่ใช่กามราคานุสัย แต่ก็เป็นราคะธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะอ่าทีนี้ต่อไปว่าองค์ธรรมของบทว่าปูชาจากปูชนียานังเนี่ยนะการบูชาเนี่ยหนึ่งหนึ่งผู้ที่บูชาก็เป็นโลกิยะใช่ไหมโดยทั่วไปนในในในในตัวตัวคนบูชานะในขณะบูชาเนี่ยไม่ใช่ขณะมักักดิ์ที่มีนิโรธศัพด์เป็นอารมณ์โดยที่สุดแม้พระสารีบุตรกราบพระพุทธเจ้าเนียขณะที่ท่านกราบเนี่ยเป็นทุกขศัตดิ์ ทุกขศัพท์ทั้งนั้นขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าอ่าไม่พระพุทธเจ้านี้เป็นอัพยากตะหมดเลยเนี่ถ้าเป็นขณะพระลาสมาบัตของท่านเป็นสัจจะวิมุตต์ทั่วๆไปที่เหลือเป็นทุกขศัพย์หมดตันหาที่ยินดีในการบูชาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเป็นสมุทัยสัตว์โดยมากนะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอให้ทานเสร็จสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีรูปสวยเสียงเพราะร่ํารวยมั่งมีนะพวกนี้ปรารถนาทุกขศัตท์ทั้งนั้นอะ อันนี้แหละเป็นสมุทัยสัตว์นั้นการให้ทานเพื่อปราถนาวัตถุโดยมากเป็นสมุทัยสัตว์เว้นไว้แต่ฉลาดเชื่อมต่อไปอีกว่ามีวัตถุเพื่อจะได้ทํากุศลต่อไปนะเช่นปราถนาให้แบบมีแบบนางวิสาขาจะได้ทําบุญแบบนางวิสาขาคืออันนั้นก็คือเป็นไปเคลื่อนไหวเอาบุญไว้ต่อบุญที่จะไปเชื่อมบุญลักษณะนั้นก็โดยทั่วไปทํำด้วยศรัทธาแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้ามีวัตถุจะเอาไปทําอะไรเออนะ มีรถสักคันหนึ่งก็ได้ขับไปฟังธรรมอย่างงี้ยเลยมากคิดอย่างเงี้ยไหมมีนะจะขับไปเที่ยโวโนู่นเนี่ยนะเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเมื่อกอี้กไปแล้วเพราะฉะนั้นก็โดยมากอะถ้าต้องการวัตถุจึงเพื่ออะไรเพื่อสนองสิ่งที่ไม่ใช่กุศลเป็ น, เ ป, นเป็นโดยมากเนี่ยนะส่วนธรรมะที่ดับทั้งสองอย่างเนี่ยนะอสังขตะธรรมหรืออปวัตะที่ ท, ที่มันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลยนะที่สงบประงัดจากสิ่งเหล่านี้เป็นเนโรสัจจะ ปฏิปทาที่เป็นเหตุให้ถึงนิโรจนั่นแหละคือมัคมัคคือธรรมชาติที่ไปกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำมิโรดให้เจ้งกันแหละคือมัคเพราะฉะนั้นพอพูดถึงโดยมากนะทั่วๆไปเนี่ยพอพูดถึงว่าอริยสัจมีสีทุกสมุทัยนิโรดมัคทุกคืออุปาทานขันห้าเป็นต้นสมุทัยคือความเพลิดเลินในขันห้านิโรดคือความดับขันห้าเสร็จแล้วเวลาเขาปฏิบัติเขา ท, ทาไงนะนี้จะปฏิบัติยังไงดีนนแะ จริงๆการปฏิบัติตามมรรคสัจก็คือการกําหนดรู้ทุกตัวนั้นแหละคือปริญญาสามเนี่ยนะเพื่อตัดชันทราคะในสิ่งนั้นถ้าตัดชันทราคะได้จริงจะบรรลุนิโรธอันนั้นแหละคือการปฏิบัติเนี่ยนะทั้งตัวสาระการปฏิบัติก็คือการกําหนดรู้ทุกการละสมุทัยเนี่ยนะการทํานิโรธให้แจ้งถ้าผู้ใดปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติชอบในโลกเนี่ยนะเรียกผู้ปฏิบัติชอบในโลก เพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อกาจัดราคะโทสะและโมหะได้จริงเนี่ยนะเพราะการปฏิบัติที่ถูกในโลกคือปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสเนี่ยนะส่วนอริยสัตวก็มีกิจเฉพาะตัวใช่ไหมทุกสัตว์ก็ปริญญาสามยาตะตีรณะและตหานะปริญญายาสับยาตัวหลังแปลว่ารู้ปริตัวหน้าแปลว่ารอบแต่นิยมแปลว่ากําหนดงงเหมือนกัน คำว่าปริญญาแปลว่ารู้รอบรอบ ร, รู้รู้สิ่งนั้นพร้อมทั้งลักษณะพร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะแล้วรู้ถึงความเป็นของสามมันของสิ่งนั้นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาด้วยอย่างเช่นการรู้อุปาทานขันซึ่งรูปมีลักษณะสลายไปเวทนามีลักษณะสเสวยอารมณ์สัญญามีลักษณะจำอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะเพราะไอ้ทุกข์สัตว์เนี่ยมีลักษณะอย่างนี้เฉพาะตัว อุปาทานขันเหล่านี้เกิดจากสมุทยัยเกิดจากปัใจจัยใช่ไหมรู ป, ปรขันนะรูปที่เป็นทุกระสั์เนี่ยเราเอาดอกไม้ใช่ไหมพิจารนาทุกจริงๆทุกที่ดอกไม้หรือทุกที่ภายในโดยมากเดือดร้อนก็เดือดร้อนเพราะภายในนั้นพิจารณาเนี่ยภายนอกเนี่ยยังไงมันก็ไม่เที่ยงแต่ไม่ได้เกิดจากปัญหาตรงๆนะไม่ได้เกิดจากปัญหาวัตถุที่เกิดจากปัญหาก็คือวัตถุภายในเนี่ยนะเกิดจากอาวิชชาปัญหาและกรรมอันนั้นคือสมุทยัย ทีนี้แล้วสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้สิ่งนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงถามว่าควรไหมที่จะเพลิดเพลินในสิ่งนี้เนี่ยนะก็เท่ากับบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเพลิดเพลินในสิ่งนี้ไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่ควรเพลิดเพลินเท่ากับบอกว่าอะไรสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเพลิดเพลินคือเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็ หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มียานอย่างรู้ว่าพ้นแล้วคือเพราะแทงตลอดนี้รถเป็นที่พ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะพอรู้ว่าพ้นแล้วก็ถ้าพ้นอย่างนี้สี่ครั้งเรียกว่าผู้ทํากิจเสร็จเนี่ยนะผู้ทํากิจเสร็จเราเรียกว่าพผ้ารหันเนี่ยนะงั้นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็สามารถที่ประชมประมวลสงเ่งข้์ลงเป็นอริยสัพดาได้เนี่ยนะนั่นก็พิธีฝึกนี่ยนะชั้นแรกก่อนก็ เวลารับอารมณ์ใดๆขึ้นมานะให้นึกถึงคําสอนก่อนเพราะพระพุทธเจ้าเทศนาว่ายังไงอนะถ้าถ้าเราจะฝึกคิดนะเช่นตามองเห็นหูฟังจมูกรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสเข้าบ้านเข้าอะไรก็ตามเถอะคิดถึงวแบบ่าพระพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไงเทศนาว่ายังไงบ้างแล้วในสิ่งเหล่านี้พระองค์เทศนาโดยอสาธทะยังไงแสดงเทศนาโดยอ า, า, า, อยาทนาอาีนวะว่าอย่างไงแสดงเทศนาโดย นิสระณะอย่างไงแล้วพระพุทธเจ้าเทศนาอย่างนั้นแล้วมีผลต่อไปอย่างไงและเราจะเชิญงตามอย่างนั้นได้อย่างไรเห็นไหมแล้วพระพุทธเจ้าไม่นําเราไว้อย่างไรบ้างนไอันนี้ก็คือเป็นวิธีฝึกที่ถ้าเราจ ะ, ะสงเคราะห์มาใช้ในชีวิตแต่ถ้าจะฝึกใช้ฝึกเพื่อจะพิจารณาพระไตรปิฎกก็อีกเรื่องหนึ่งะนะเห็นพระไตรปิฎกเนี่ยบทนี้อยู่ในพระพุทธเจ้าแสดงอัศรธาหรืออาทีนวะหรือนิสรณะในในบทนี้นะถ้าอ่านขันธวารวักเป็นต้นเนี่ยจะเห็นชัด ถ้าพูดถึงขันห้าเมื่อไหร่ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังพูดถึงทุกขสัพขันห้าก็น่ายินดีนะอย่างพระองค์ตรัสว่ายะโตโขพิทเวปันจันนังอุปาทานังสมุทยันจะอัฏฐังคมันจะอัฏฐาท า, าธีนวะนิสรณะเนี่ยนะยะถาภูจังประธานาติคือให้รู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งขันห้านะขันห้าโดยเหตุเกิดโดยความดับขันห้าเกิดโดยอาการยี่สิห้านะ ขันห้าจะดับก็ดับโดยอาการ25แต่ขันห้าก็มีอาสาทะอยู่นะแต่ขันห้าก็มีอาทีนวาวะอีกนั่นแหละและตอนท้ายพระองค์จะแนะนําว่าขันไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละขันเสถิดคําว่าละแปลว่าตัดฉันธราค่านะไม่ได้แปลว่าเธอจงไปฆ่าตัวตายเสเถิดอย่าไปแปลแบบนั้นแปลว่าจงตัดความพอใจในอุปาทานขันเสถิดบางสูตรก็บอกว่าเหมือนอะไร ถ้าเห็นต้นไม้แล้วเขาคิดยังไงเขาตัดต้นไม้เราเดือดร้อนไหมเอาแบบต้นไม้ที่ที่ไม่มีใครห่วงเลยนะเราเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดชั้นธราคาในขันได้นะขันจะสมบัติหรือจะวิบัติเธอก็จะไม่เดือดร้อนแบบนั้นเพราะฉะนั้นการตัดชั้นธราชาได้อันนี้แหละจะเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นต้นนั่นเองเหนะห